เทศอบรมพระวันที่23มิถุนายน2521เข้มข้นดีไปตลอดเอหิปัสิโกธรรมคือความจริงประกาศอยู่ในกายในใจจงย้อนจิตเข้ามาดูตรงนี้เวลาปฏิบัติที่จิตรู้สึกรวดเร็วในราคะตัณหาผิดกับเวลาเรียนทำให้เอใจเสมอ ความจริงเรามีสติจึงรู้ได้ในกริยาเช่นนั้นใจที่มีกิเลสผูกพันถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วจริงจังทุกประโยคแต่ถ้าเป็นเรื่องเพื่อทำแล้วมักเหลวไหลนี้ก็ดีปลุกใจให้เข้มแข็งสำหรับพระฟังอัดได้พระเหมาะกว่า เรจะไปคิดตำหนิแต่สนานั่นแต่คิดคิดำหนิคิดเปยังไงยิ่งเป็นความผิดของตัวเองเพราะปกติมันผิดอยู่แล้วทำไม่มีอะไรผิดถ้าผิดไม่เรียกว่าสว่วนขาละทำจัดได้ชอบแล้วนิยาติละทำนำกากัรให้โทจากทุกได้โดยลําดับจริงนี่ก็เปน็นบทธรรมคุณก็ตัวกันอยู่ตลอดเวลาเรือ่อยหลือว่าทุกวันทุกคนืนสว่วนขาโตก็ตาธรรมโมเนี่ยถ้าทำอะไรชอบจัดจัด ชอบแล้วรู้จักดีแล้วฉันที่จิโกผู้ปฏิบัติจะพูงเห็นเองเพื่อเห็นองค์ทมแท้นนะเห็นเองอาการที่โกทไมีอยู่ตลอด ก, การเช่นเดียวกับิจมีอยู่ตลอด ก, การโอปนัญิโก เองปฏปุโกโอปัญญูโกรูเองเป็นสิ่งที่ท้าทายอยู่ภายในตนฉันจะทำเฉพาะ อ, อย่างนี้สองอย่างประกาศท้าทายเราตล เ, เวลาเราจะสู้หรือไม่สู้รบหรือไม่รบทกกาลสมุทัยประกาศอยู่ในหัวใจเราทั้งทางร่างกายชาติปิวขาชราปิปวขามันลำปิยิวขังนี้ประกาศทางกายเรื่องของทุกโศกกระเพื่อ้นนั่นเป็นทางใจกันนั่นนะ โศกกาหมายถึงไก่โศกกาศเดียวเรากโดูมนัสไฟยฆ่าผิวฆ่าอภิเษกฆ่าเบอรโกโก้หนึ่งเกาาี่ยวกับทางใจมีทุกทางกายทุกข์ทางใจแสดงให้เห็นได้ชัดอยู่ภ า, ย, ายในจิตใจนี่แหละกิวัสันทิติโก้โอ้กิวัตเอฮิเอฮิปะจกโกท่านจงดูท่านบอกเรานั่นเองเอฮิท่าน ตาวางกันมาท่านเองตร ง, ตร ง, ตร ง, ตรงดูดูตรงที่นี่<ม>สอแสดงทำสอนแสด อ, อยู่ที่นี่ทุกก่า<ม>สอนอยู่ที่นี่สมูไทยคืออาถ้า จ, จะทำสองอย่างนี้เด่นดูเวลานี้หากสติปัญญาของเรายังยังไม่เด่นอันนี้ต้องเด่นอยู่ก่อนดูให้ดีพิจารณาให้ นั nah, ่นที่สราทราบชาตัตาปัตตราตาเป็นันงนี่เรืองอย่าที่ยังกรรมศาสนาว่านาอยู่วนาแน่สิ่งที่สอนเราพดไปด้วยความลืนลืมันถนั่นเป็นไปจากอะไรเป็นไปจากกรรมาศานาว่าศนาที่พธัณหาแน่ว่างดในจินี้นี่คือสัจธรรมาเพเอหิจงดูที่นี่คือเอหิงน้อมใจเข้ามาดูที่นี่ ถ้าเป็นกิจยาของคนก็เอหีตรงมาแต่นี่เป็นเรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกระแสของจิตเอหีบตรงนี้อนเข้ามาดูที่นี่เข้ามาที่นี่เนี่ยบอกสร้างขึ้นเรื่องมรรคปฏิปทาพยายามสร้างอยาถอยเราเห็นความทุกข์ในวัฏจักรสามที่เราเคยแบกเคยหานบานนึ่ว่าเป็นของเล็กน้อยไม่ใช่เล็กน้อย โลกจมไปด้วยสิทุกทัางายตรงนี้เนี่ยเงยหัวมันขึ้นงอยกหัวมันขึ้นก็กทุกข์นี้มีเดือบังครับทุกธาตุท่านมันนะไม่มีใครเหนือทุกไปได้เลยก็เพราะว่ามีใครเหนือกิเลสไปได้เลยนั่นแหละทุกธรรมดาของธาตของขันถ้าไม่มีกิเลสเข้าไปแทรกก็พอทำเนาแต่ส่วนมากพอเกิดพิการขึ้นมาในธางขันตัว น, นั้นเป็นหนึ่งกิเลสจะเข้าไปแทรกทันทีคือเกิดความเสียใจไม่อยากให้เป็นเกิดความโกรธกวา่าสมัยนี้ี่เลส โรคทางใจแทรกเข้าไปแล้วเมื่อเป็นอย่งนั้นก็ต้องถูกกดตลอดเวลาโรกไม่มีใครที่เ็นเหนือทุกข์นีไปหน้อยู่แต่หน้าของทุกข์ถ้ า, าต้องปฏิบัติให้รู้สติเอาให้ดีตั้งตรงไหนมันขาดไปเลยทำใจให้เด็ดอย่าอ่อนแอพระพุเจ้าไม่ใช่ผู้อ่อนแอ ทำก็มีบทใดที่สอนใหคนอ่อนแอปฏิบัติให้จริงให้จังกําหนดลมก็เอาจริงเอาจังกับลมอยา่าไปคิดค่ากินหมายกับผลอะไรที่เกิดจะเกิดขึ้นที่ใดลักษณะใดอยา่าไปคาดเป็นการทําลายเหตุที่กําลังทําทําลายงานเอิดที่กําลังทําให้เสียไปไม่ฝึกต่อนั่นอนาะการสร้างเหตุที่จะให้ผลเกิดขึ้นคือเรากําหนด ดีดด้วยสติรู้ดีดด้วยสติเช่นกำหนดอนาปาสติเพื่อความสงบเป็นอันเป็นผลก็จะปล่อยลมกับความรู้ให้สัมผัสสัมพันธ์กันทั้งเข้าทั้งออกอยู่อย่างนั้นหิุไม่ไปไหนบังคับกระแสจิตไม่มนส่งออกไปนอกมันจะเทจะไหลนะปกติเพราะนี่สายพงจิตเป็นอย่างนั้นจับจดจับจดไม่เอาอะไรจริงๆริงจังจง ทำเรื่องที่มันจริงทําเรื่องของเขาทมันเป็นการจับจดมีเรื่องดีใจเสียใจแล้วมันติดองนั้นทั้งวันทั้งคืนเป็นอารมณ์ครุ่นคิดอยู่นั่นไม่มีเวลาปล่อยวางมันจริงมันจังถ้าก no ับเรื frost, ่องของทุกเรื่องที่เด็แต่เรื่องธรรมมันไม่ค่ิงไม่จังเพราะมันยังไม่เห็นผลพอที่ใช้จิตใจจริงจังเมื่อเห็นผลแล้วมันหละเกิดความจริงจังขึ้นมาตามผลผลที่ได้ปรากฏมากน้อย มีสำคัญเวลากำหนดให้สงบตั้งท่าเอาให้สงบไม่สงบเหลือไม่สงบเอาคน้นค้นก็บังคับให้ให้สติติดตามจะดูอันไหนดูเนะยให้รู้ให้เจานไปโดยลํำดับเหมือนกับนักโทษหรือผู้จองหาถูกบังคับด้วยสติไม่งั้นไม่ได้นะจิตคอยจะเฉลี่ลยเท่าไรเราทํานั่นเราหวังเอาความถุขอยู่เรื่อยๆด้วยการต่อยใจ นั่นแหละคือการปล่อยที่เดชก็มาพุ่มเจ้าของทุกโดยการบังคับบัญชากิจของตนชื่วรรอว่าทำงานแท้ชื่อว่าฝึกทรมานจิตลึสุดทรมานที่เดชที่มีอยู่กับจิแท้ต้องทำอย่างนั้นให้กินให้จังผมอยากจะยินหมู่เพื่อนไรีรู้เห็นทำเราว่าขั้นสมาธิขั้นใดเราว่าปัญญาขั้นใดเราอยากเห็นพรอเราสอนเพื่อสมาธิสอนเพื่อปัญญาสอนเพื่อผ ล, ผลผ่านต่อหมู่เพื่อนไม่ได้ลดนะ การสอนทั้งหลายสอนอย่างนี้เท่า น, นั้นสอนอยากใหารู้เห็นจริงๆแล้วการสอนนี้ก็ไม่ได้อวดสอนด้วยความจริงที่ไปรู้ได้เห็นมาจริงๆไม่ได้ไปด้ไปดไปดนไปดาวมาจากทีงไหนมาสอนด้วยนะเพราะงั้นึงพูดด้วยความอาจฐานทุกอย่างทุกมุมแน่ใจประมาผิดเพราะเราปฏิบัติมาอย่างนี้ถ้าว่าผิดจะรู้ได้อย่างไรเ น, นี่ยมันแน่เนี่ยเหตุว่ามันทูผลที่ปารากมาอย่างนี้แล้วก็นํานั้นมาสอนทั้งขั้นสมาธิทั้งขั้นปัญญา มันอากให้หมีเพื่อนจริงจังไมันได้เ็นความจริงจีิงมันสงบลงไปแค่ไหนแต่ไม่รู้เป็นผลแค่ไห น, นมีความสงบเยือกเย็ยนเนาะการที่จะพิจารณาทางดา้ปัญญานั้นเป็นเรื่องสําคัญสมาธิคือความสงบมันไม่ว่ารุ่นหมู่ ม, มวัวไปกระตินใดๆแล้วควรแล้วในการที่จะพิจารณาส่วนฐานเดืองขันภายนอกภายในไม่ต้อง กำหนดกฎเกนฑ์และมีประมาณแบบข้างนอกหรือข้างในได้ทั้งนั้นแล้วแต่จิตในขณะนั้นมีความชอบมีความถนัดใ น, นเวลานั้นเหมาะสมใ น, นเวลานั้นจะพิจารณาอะไรอาให้รู้ให้เห็นพิจารณาอุปาถูกพังเอาดูขี้คานออกเป็นหมดทุกชิ้นทุกอันเป็นไรไม่จิตมันต่อยตัวจากนั้นไม่จิตมันวางไม่ให้จิตมันทะเลยทะไหลไปจากรูปภาพนั้น โดมัทุกระยะระยะระยะให้มีแต่ความรู้กับภาพนั้นตากฏดเท่นั้นอย่าให้อะไรเข้ามาแทรกมีความที่มีความรู้กับภาพที่เราปะตั้งขึ้นมานั้นตากฏอขุดโดยเพราะเทนั้นคือสติมันข้อไวให้มีสามกัอะไรให้มีหนึ่งคือความรู้ซึ่งทำไปด้วยสติสองภาพที่ตากฏดูให้ขัดเจดคคนคลี่คลายเวลาพิจารณาไปายุ่งอะมันจะเพลินลืมเนื้อลืมตัวร่างกายนั่งอยู่เหมือนมึน เพลินเป็นภายน์เป็นภายนอกเอาพิจารณาภายนอกย้อนเข้ามาภายในย้อนเข้ามาภายในก็เป็นแบบเดียวกันนี้อีกพิจารณาเป็นหมดทุกแง่ทุกมุมซึมราบไปหมดด้วยความเพลินในการพิจารณาเห็นทัศเจดเราจะไปคาดหมายผลอยากใหามันแล้วมันเสร็จไปอย่างนี้ไม่ได้นะการพิจารณาอยากให้ได้วมัเสร็จไปนี้ไม่ถูกพิจารณาตามความจริง อูกับความรินรู้มันจะรู้ความริงไม่รู้อื่นๆความอยากมันเกไปอยู่อะไรอยากให้เสร็จให้สิ้นไปเฉยโดยความรู้จุขของก็ไม่สามารถที่จะให้รู้พอเสร็จพอสิ้นไปได้พอปล่อยวางไปได้มันก็ปล่อยไม่ได้ต้องพิจารณาให้มันิงมันต่างสำคัญมันอาจารย์อาจารย์ิงกินถ้ายังไม่ดูพ้นมันก็อาจารย์ไม่เห็นกระทั ความสงบเพียงสมาธิเท่านั้นก่อเป็นความสุขจิตที่มีความสงบตัวแล้วไม่วุ่นกับเรื่องโลกเรื่องของสารเรื่องรูปเรื่เสียงเรื่งกลิ่นเรงรสเรงกลามราคะอะไรเหล่านี้ถ้ามันไม่สงบนะมันไปนะมันเยิ้มเยิ้มเยิ้มเรื่อยนี่เคยเป็นเวลาเรียนหนังสือก็ไม่เห็นมันยุ่งมันเหยิงวุ่นวายอะไรกับเรื่องพิทยาศาสตร์เทศอะไนี้ เวลาจะออกปฏิบัติจะเข้าได้เขาเสียงจริงๆมันชักรวดเร็วรยินเสียงถ้ามันทักอะไรขึ้นมาภายในจิตแต่ไม่ในหมายที่ว่ามันแสดงถึงอวัยวะนะมันอะไรในจิตชอบคนชอบคนมันรวดเร็วเป็นลักษณะราคาแสดงภายในจิตพอแยกให้รู้นะเท่านั้นนะไม่ได้หมายถึงว่ามันมากยิ่งแบบนั้นเฮ่ทำไินี้เวลามาปฏิบัติจริงๆแล้วทำไมมันถงรวดเร็วขนาดนี้ เป็นอันนี้แต่ก่อนไม่คเป็นความจริงมันก็เป็นแตวเราไม่สนใจเฉยทีนี้เรามีสติมันจึงเหมือนกับมันเป็นได้รวดอย่างรวดเร็วเมื่อมีสติดูมันก็รู้เหมือนอย่างความคิดความปรุงของเราทั้งหลายเนี่ยเราจะปรุงไปไหนเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีสติมันปรุงทั้งวันเราก็ไม่กาหนดกดเจนว่ามันปรุงมากปรุงน้อยเพราะมันปรุงทั้งวันแต่พอมีสติเจาะเท่านั้นมันจะ กะเพื p p he the the ่อมออกมานี่มันรู้มันจะกระเพื่อมออกมาเนี่มันรู้นี่มี่แต่ความคิดแท่นั้นอ่ะบวรจิตแหน่มันก็รู้แล้วนะเมื่อกาหนดดูจรไม่เห็นมีอะไรบวมจิตนี่แต่ความปรุงมันคอยจะกระเพื่อมมาเรื่อยๆเพราติครอบดูสิสติครอบเนี่เป็นลักษณะจะกระเพื่อมออกมาพอเป็นลักษณะจะเพื่อมออกมากําหนดตัวลักษณะนั้นมีลักษณะหนุนๆกาหนดตัวหนุนนั้นมันก็ดับไปดับไปมันมีลักษณะอะไรกันนะเอานั่นเป็นเป้าหมายกําหนดตรงนั้นมันก็ดับไปดับไปมันปรุงไม่ได้ ถึงเราต้องไดเห็นโทดของมันและเห็นเรื่องความปรุงมขงกิจได้อย่างชัดเจนมากมันจะมันกระเพื่องมันจะแยกออกมาเนี่มันเป็นลักษณะโ น, น้นนนออกมานีนนนนน่นี่นีคือเรามีแค่เตะดูมันมันรู้มันปรุงเอย่างอะไรก็รี้ถ้าเรามีสติเราทั้งวันก็ไปรู้นี่อะไรที่มันไปเกี่ยวความกระพู้กับเสียงอะไรทําให้เกิดความแปลกแปลกภายในจิตได้อย่างรวดเร็วก็เพราะเรามีสติ แต่ก่อนแล้วไม่มีมันติดพันอยู่ก็เพาะอะไรถ้ามันไม่เลื้อบากว่าแรงจริงจนจะแบบกไปไหวมันก็ไม่รู้เครื่องขนาดนั้นมันไม่รู้ว่าจิตไม่มีแล้วก็ติจิตไม่ตั้งอกตั้งใจอะไรนะพอามาปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นเรางได้ยิ่งคํขมักขมันยิ่งได้บังคับบัญชากันหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าจนจิตมีความสงบ เย็นที่นี่เรื่องเหล่นี้ค่อยจางไปจางไปนี่เราก็ยิ่งเน่นหนักลงตรงนี้เห็นมากจากนกระทํามันหายเลยเรื่องเหลนั้นสงบสบายนั่งอยู่ก็ได้คือความคิดความปรุงปรุงได้แต่ที่เจมันคิดปรุงไปเรื่องนอกนอกนั้นอนนย่างที่มันเคยไปแบบเฉลี่ยเฉลีมันไม่ไปอีกที่มีความสงบตัวได้ แล้วสงบกังมีราักฐานเนี่ะความสงบภายในตัวมีหลักฐานสมัยที่เรามันไม่ยุ่งกับเรื่องนั้นมันก็อยู่ในความสุขนนี้ติดอยู่ในนี้สบายอยู่าง น, นี้อย่างนี้พอมันเป็นความสุขอย่างนั้นพอนเป็นความสงบได้บ้างนั้นให้พิจารณาเปลี่ยนวารกอันกับการทําความสงบนี่เป็นวิธีที่ถูกต้องไม่เน่ําช้า วิธีนี้ไม่เน้นชาเป็นการเสริมจะปัญญาไปในตัวหุดค้นไปในในโอกาสตามโอกาสคือเปลี่ยนวากันกับการเข้าสมาธิในขณะที่ต้องการความสงบไม่ต้องเอาเรื่องของปัญญามายุ่งทําหน้าที่เดียวเท่านั้นไม่สนใจกับปัญญาเลยเหมือนกับเราไม่เคยมีปัญญาจะตั้งหน้าเหมือนกับคนจะนอนหลับตั้งหน้าจะหลับทายทายเดียวไม่ต้องไปคิดประตุงอะไรมันก็หลับงา่ายๆถ้ า, ถาท่าแขนไม่มีการอย่างอื่น เราตั้งท่าให้ผิดสงบด้วยสติบังคับอยู่เท่านั้นไม่ต้องสนใจกับเรื่องปัญญาใดๆทั้งหมดในขณะนั้นนันก็สงบลงได้พอสงบมาได้เป็นกำลังแล้วจากนั้นไปเราจะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาที่นีด้านปัญญาสมาธิไม่ยุง่งไม่เกี่ยวเนี่ยนี่เรียกว่าทางานเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำให้สงบเรียกว่าสมถะก็ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ต้องเอาปัญญาเข้ามายุง่งนี่ปรัชนาเข้ามายุง่ง เวลาจะพิจารณาวิปัสสนาเพื่อความรู้แจ้งแห่งจริงตามความจริงที่มีอยู่ในขันในจิตนี้ก็เอาจริงเอาจังหายถึงสนใจกเรื่องสมาธิมันจะไปไหนกระช่างสมาธิเวลานี้เราทํางานเอ้ามตึมเมตตาเนี่ยมันรู้แจ้งแห่งจริงพิจารณาแล้พิจารณาเล่าจนเกิดความซึ้งภายในจิตทำให้เข้าใจจริงมันซึ้งนะซึ้งภายในจิตแล้วไม่มันต่อว่าอีก มันป่อยวางไปปล่อยวางไปค่อยเบาลงไปมบลงไปปัญญาขั้นน้ำแรกต้องพาผพุชันพานพุนพักว่าเหมือนเราพาเด็กทํางานที่ยังไม่เคยงานง่แตสั่าสมาธิก็ต้องถูกถูกบังคับบัญชาทำด้วยสติไม่งั้นมันเผอทะเลทลายพอจิตได้ได้ผลเราสมาธิแล้วมันก็ไม่ต้องบังคับมันทําหน้าที่มันเอง พอถึงขั้นปัญญาเริ่มขั้นเริ่มแล้ต้องพาฝึกพค้นพาพาิจารณาึงกว่าเห็นผลของปัญญาแล้วที่นีปัญญาจะก็่ก้าเดินออกเองละทีรู้จักวาระตัวเองวาระสมาธิวาระปัญญาใครจะทําหน้าที่ทางด้านจะทำหน้าที่ท ด, ททด้านปัญญาเรื่องสมาธิเวลาใดมันรู้ในตัวเองและเอาจริงเอาจริงกับหน้าที่เหลนั้นไม่ให้ก้าวไก่กันนี่เรียกว่าทําถูกต้อง ปคใหม่อมันเลยเถิดมันกันเลยความเลยเถิดนั้นมันเป็นครูสอนเช่นอย่างนอนไม่ได้ทั้งวันนี่นอนไม่ได้ทั้งคืนทั้งคืนนอนไม่ได้เพราะความเพลิดเพลินในการพิจารณาทางด้านปัญญานี่เราก็รู้มันเลยเถิดเวลาพิจารณาผานไปแล้วนั้นก็ย้อนกลับมารู้หมดว่าโอ้ตรงนั้นโคตโค้งไปตรงนั้นเลยเถิอดอะไรอันรก็รู้ตรงนั้นพอดีรู้นี่จึงต้องสอนไว้ก่อนให้ ถูกต้องทีเดียวโดยไม่ต้องไปางขาดเดาอะไรพ่อครูอาจารย์สอนไว้แล้วโดยถูกต้องจะจับลงตรงไหนอวั ย, ยวะเราอืมที่แรกเพเ่งไปเหมือนกระสีจะตับตรงไห น, นสติจ่อตรงนั้นอืมจะกำหนดหนันตงนนตรงนั้นจะสติจ่อตรงหนังเอาหนังนั้นมันจะขึ้นสูงลงต่ําไปไหนเลื่อนลอยไปไหนไม่ปล่อย ให้รู้อยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนั้นเชเดี๋ยวก็ค่อยๆลืมเนื้อลืมตัวลืมสัญญาความคาดความหมายเข้าไปเข้าไปมีแต่ความรู้กับภาพนั้นำตากฏดจีเด่นทัดเตืทัดเนเช่เดี๋ยวค่อยกระจายออกกระจายออกกระจายออกขั้วถึงหมึกชั้นผนังร่างกายความเปิดความหนาความผดพังความปฏิบูรณ์โสโคกมันหุ่นประจักก็ผิดเปิดความหินน้าละอาใจจะเกิดความสงบสันโวษแต่จิตใจนั้นเบาลงไปลรื่อยเบาลงไปเบาลงไปแทนที่จะสรุปสรํางข้อหงอยนั่นเป็นนะ พอเห็นพุ่งลงสิ่งนี้แล้วเราอุปทานมม่ค่อยจางไปจางไปในขณะนั้นเอาถึงระทังทลายลงไปอองดูดถึํา่ันพิจารณาทางาด้านปัญญาเฮ้ยเวลาเราพิจารณาทีหลังเราจะยึดสิ่งที่เราเคยรู้เคเห็นแล้วมาปฏิบัติไม่ได้นะมันเป็นสัญญาลงกําหนดให ม, ม่เอาอุบายวิธีใหม่ในปัจจุบันถึงจะเป็นอุบายวิธีเก่าก็ตามแต่ให้มันเกิดในวงปัจจุบัน ตั้งหลักลงที่เก่านั้นแหละเช่นเรากําหนดอวัยวะตรงไหนที่เราเคยไม่ปล่อยตรงนั้นจับตรงลงตรงนั้นเลยแ ล, ล้วจ่อตรงตรงนั้นอีกเหมือนกันนั่นแหละแต่เราจะไปฆ่างวาให้เป็นงั้นวันนี้มือชข้ายี่เป็นอย่างนี้จะไปฆ่าถ้าจ่อในวงปัจจุบนันมันจะเป็นไปกวางไปแคบให้มันเป็นในวงปัจจุบนันถ้ามันเป็นไปเองของมันนี่เราจะทราบในชาติา ก, การพิจารณานี่ไม่เหมือนกันเราคนเดียวกันพิจนารณาในสิบเดียวกันแห่องอวัยวะ แต่ความรู้ความเห็นต่างๆในระคุณอาการมีจะต่างกันวันนี้พิจารณาเห็นอย่างนี้อย่างนี้วันหลังพิจารณาเห็นอย่างนั้นอยงัแต่รวมแล้วเป็นสัจธรรมด้วยกันการเห็นการรู้เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถอดถอนพิเดียดได้ด้วยกันนะเราจะให้มันเป็นเหมือนเก่าเหมือนเก่าไม่ได้อย่าไปคาดไปหมายให้เป็นความจริงขึ้นมาความจริงขณะขณะที่ทำนี่มันเป็นยังไงขึ้นมาให้ดูตามความจริงนั้นเราอยเอา อดีตท่านยาอดีตเข้ามาทับมาผมอันนี้ให้เป็นประยางนั้นแล้วมันเลยเหลืองนะจริงความจริงพิจารณาความจริงนั้นปรปนากฏภาระจิตยอย่างไหนดูตามความจริงมันจะรู้กว้างรู้แคบใคงก็รู้มันหงุมันจะเร็วมิช้ากว่าช้าถ้าเอาความจริงจับไว้เสมอไม่ปล่อยขีหมินก็เร็วเข้าใจได้เร็วขีหมิ่นเข้าใจได้ช้าอย่าไปเร่งช้ามันช้าให้มันเข้าใจเป็นที่พอใจ การพิจารณาใด้านปัญญาพอเข้าใจเรื่องปัญญาเห็นคุณค่าขงปัญญาแล้วทีนี้ม่ต้องบอกมันออกเองปัญญาในหมุนติวติวติวความเพียรก็เป็นความเพียรทั้งมันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นแต่ลับเท่านั้นแต่ไหนมันจะหมุนตัวติวติวเลยนั่นแหละที่นี่หมุนแก้กิเลสอันต่ก่อนมันถูกมันมัดตัวเองด้วยสมุทัยความคิดความตุ่งกุ้งเฟ้อเหิมแต่ในเรื่องต่างๆเมืมีวันมีคืนเดินเดินนั่งนอน ที่ี้พอสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันจะเพิ่มจะถอนใยความมัดตัวด้วยกิเลสด้วยสมุทัยทั้งหลายที่นี้เพิกถอนออกด้วยมมัดคือสติกับปัญญาแล้วหมุนติว้ว mm hmm. ที่กิเลสขาดลอยไปขาดล อ, อยไปวันละเล็กละน้อยเข้าใจชัดเจนเิีลสตัวนั้นหลุดไปกิเลสนี้หลุดไปรู้ได้ชัดด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเราถึงถ้าพูดได้เต็มปากว่ากิเลสทุกประเภทถอนด้วยปัญญาทั้งนั้น ขอไม่ือกสติปัญญาทา่านนะสมาธิจะละเอียดแค่ไหนก็ตามมันปเป็นเรียว่าจับละเอียดเข้ามารวมตัวละเอียดตัวใดก็ยังไม่ตายนะเพราะค่าเทเรียนด่างหยาบได้ด้วยศีลด่างกลางได้ด้วยสมาธิอย่างละเอียดได้ด้วยปัญญาเะันพูดกันเฉยๆคือมันสงบตัวเข้าไปเทเรียนด่างหยาบมันอออก็สงบตัวเข้าไปบวลามันจะตายมันจะขาดจรงิงๆมันขาดด้วยปัญญาขาดด้วปัญญาเช่นศีลนี้เหมือนกัน เราได้ละมั่นระวังอะไรไม่มันทํบาบังคับเอาไว้พอถึงขั้นปัญญาไม่ต้องบังคับมันเข้าใจเองมันไม่ทำอีกนั่นเขาเรียกว่าข้าวเย็ประเภทที่มันอยากทาอยากฝากเสียงสิ่งนั้นได้ด้วยปัญญาคือประเภทไหนพ้นปัญญาตรง น, นี้ เ, เพลินตรนี้สมาธิไม่ค่อยมีอย่างผม มันมีอยู่แล้วแต่ก่อนแต่ระยะนั่งสมาธิมันไม่มีมันเป็นปัญญาไปหมด <c oughs> แต่ให้เป็นว่าสมาธิไม่มีเหมือนอย่างที่เราเริ่มแรกปฏิบัดสมาธิที่ยังไม่มีไม่ใช่ น, นสมาธิไม่มีในขั้นนี้มันมันมีแต่เรื่องการค้นคว้าสังหารไม่ได้หมายถึงว่าสมาธิไม่มีเหลืออยู่เลยไมไ่หมายอย่างนั้นสมาธินี่ทุม่มไปทางปัญญาทั้งหมดเอาไปนหนุนปัญญาหมดปุ๊นยังไ อพนาั้นเวลาจะพักมันต้องได้ยับยั้งห้ามกันยับยั้งกันเต็มที่เต็มทางพอจิตมันถอยออกจากความยับยั้งนี่มันก็พุ่งถึงงานเลย น, นี่ก็จะทำไฟมากเป็นไงเมื่อไฟมากมีกำลังมากเป็นไร ความดับทุกข์จะดับไปเรื่อยๆดับีกิเลสก็ขี้ว่าดับทุกข์นั่นเองอืทุกที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสจะดับไปเพราะอานาจของมากคือปัญญาสติปัญญาทุกข์ในขันเป็นอีกประเภทหนึ่งทุกข์เพราะกิเลสมันมีทุกข์ในขันไม่ใช่ ก, กิเลสก็เหมือนเช่นเจ็บท้องปวดหัวจิตใจไม่เสียใจจิตใจไม่ไกําเริลกับสิ่งเหล น, นี้ก็เรียกว่า เป็นทุกข์เฉพาะพระพุทธเจ้าสาวุทละท่านก็เป็นประเภนี้แต่จิตใจท่านไม่ยุ่งไม่เกี่ยวจิตเป็นจิตขันเป็นขันทุกเป็นทุกเวทนาอะไรเป็นเวทนานั้นๆต่างอันต่างสิ่งท่านไม่เข้าไปไม่ให้มีความเชื่อมโยงยึทธะเข้ า, ากันพวกเราไม่เป็น่งั้นเรียบที่ตรงไหนไอเรื่องสมุทัยมันเข้าแทร้ให้เป็นกองทุกข์ขึ้นมาภายในใจนั่นี้ไม่อยากให้เกิดไม่คปวด เสียอกเสียนั่งนี้เป็นการเสริมสมุททยภายใจิตเลยเป็นโรคภายในจิตอีกทีเป็นทุกภายในจิตอีกทีเป็นทุกสองชั้นพระยินกเราพิจารณาที่เห็นทุกประสาทนี่เห็นตอนเอาเป็นเอาตายนะนี่ยิ่งนทังุกาอันี้ อาเรศสิ่งเป็นของจริงมันจริงพระในจิจริงจริงหาที่ค้างมาโอาคำว่าพระสัญญาจันทร์จริงอย่างนี้เหลอนั่นพุทธไทยรัชการจริงอย่างนี้เหลอจริงอย่างนี้หรือจริงอย่างนี้เองนั่นมันชัดชัดนี่หนังเรียกว่าชันที่ถี่โกว์คือเห็นเองจากการปฏิบัติของตนเห็นเป็นลำหนักเป้นหนั้ถึงในกระแสของจิตที่มันเคยเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับอะไรที่แท้เกิดเป็นภพเป็นชาติมันบอกไปในจิตหมด ถึงเราจะนับพบนับพาดของเราเรื่องชาติเราได้มัได้ตามเชื้อของจิตที่มันเคยต่อพบต่อชาติมามันบอกอย่างชัดชัดนี่คือเชื้อของพบไม่มีเชื้อนี้มันจะเกิดไม่ได้เมื่อมันมีเชื้อนี้แสดงว่ามันเคยเกิดมาแล้วสักเท่าไหร่นับมัได้เชื้อนี้คือเชื้องความเกิดแท้ๆเห็นไหมครับน่ะนี่แหละเป็นเร่องวัดอดีตความเกิดมากี่พบกี่ชาติวัดคือก็จิตที่มีมีเชื้อ อันจะทําให้เกิดอยู่เสมอไปในตนัวเองนี่เมื่อถอนเชือนี่ออกได้หมดยังเหลือแต่ความใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไปเกิดที่ไหนที่นี่เนี่ยบอกแค่ชัดว่าหาทางเกิดไม่ได้เจ้าอะไรมาเกิดไม่สืบต่อกับอะไรทั้งหมดไม่เกี่ยวโยงกับอะไรทั้งหมดเนี่ยไม่ติดไม่พันอะไรเป็นเอ ก, กเทศแล้วจะมีภพมาจากไหนไม่รู้อีกที ข้างหน้าจะเกิดหรือไม่เกิดบอกบชัดเจนนะปัจจุบันนี้จะอะไรจะเกิดอืปัจจุบันนี้บริสุทธิ์แล้วเกิดไม่ได้ข้างหน้าก็เอาความเศร้าของมาานันจางไยมันบอกทั้งอดีตที่เป็นมาบอกทั้งปัจจุบันที่กำกำลังสอดมีเชื้ออยู่นั่นอ่ะควรแกการเกิดอยู่ก็เกิดพบละเอียดก็ตามเกิดพบสูงขนาดไหนก็ตามก็คือเชื้อพาให้เกิดจมีอยู่นั่นแหละเพอดับวันนี้ลงด้วยปัญญา อย่างแช้งชัดแล้วนั้นก็ขาดสะบั้นกันไปเลยอดีตที่เคยเป็นมา ท, ที่ผ่านมาว่าเราเคยพบเราเคยเกิดเคยตายเป็นความเชื่อแน่ภายในจิตเพราะเชื่ อ, อ น, นี้เป็นสาเหตุมันก็ขาดจากกันปัจจุบันก็รู้เท่าว่าไม่ยึดกันไม่มาถือปัจจุบันนั่นมาเป็นตนเป็นห้นองต้นอีกรู้เท่าเป็นความจริงประเภทนี้นอนาคตก็หาทางเกิดไม่ได้เมื่อปัจจุบันนี้น ดุไม่มีอะไรเป็นเครื่องกํเลิกผลิตต่อไม่มีเยื่อายอะไรแล้วหมดรู้ได้ชัดนั่นแหละท่านว่านักกิจีิพุนพภวความเป็นอยู่ของเราไม่มี ม, ม, มาในธรรมจักรปวงสุ ว่าชาตนี้เป็นชาติตดทาของเราลืมเปื่อวถ้ามาหยิบยกเอาย่นี้มันลืมผมรถถ้ามาจับขั้วสวดได้ตลอดทุกวันได้ขั้วสวดได้ตลอดนั่นผมแต่เวลาจะมาหยิบเอาตอนเดือนหนึ่งมันทัดลืมอันนี้อันนี้อะนอันนี้อันนมันจิมาชาติอีกอันนี้มันจิมาชาติอีก นี่เปชาสุดท้ายให้มันหิมาชาตินาคีดานิปุนาภูตอบไปนี้ความเป็นเอกไม่ไ ม, มีความเป็นอีกเกิเดเอกไม่มีอันนั้นคือพุธจการพรมเจริญการประพุทธ พ, พรมจรักร เพื่อการถอด้องกิเลทั้งหลายได้ขึ้นสุดลงไปเพียงแค่นั้นคือพระอาจจานั่งอยู่จบแล้วมันกว่างนั้นพิธีงายก็เสร็จจิดจิตละก็เสร็จจิตบงเพ็ให้จิดยิ่งขึ้นไปกว่านี้ก็เสร็จละกิเลสประเภทใดก็เสร็จอาอย่านี้ก็ได้จิตอะไรกตังกาย น, นั้นกายนิยมจิที่พวนจะทำทุกในการละในการบำเพ็ญนี่ได้ทําเสร็จขึ้นแล้ว นับปรลังิสตาญาติประชานาติจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีเพราะรู้ทัดแล้วรู้รอบออบแล้วนะในธรรมจักรโเธาสุตอยู่ตรงนี้สินสิ้นที่นี่นะสินที่กาใจคิตประบปรชา คื้นเราเชื่อครบหนึ่งชาติได้จนหมดเพราะนัการแก้ต้องต้องแก้เข้าไปแก้เข้าไปแต่แสอะไรมันเกี่ยวข้องพิจารณาขึ้นมันเกี่ยวข้อกับรูปเขาเขียนกขากลิ่นเขาลดอะไรต้องพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนมาะทั่งถึงขันตัวเองรูปขันว่าเรารูปบอดเป็นเราเทวนาถุกุกอะไรก็เป็นเราท่านญาทั้งขาทั้งยานเป็นเราเนี่ยแบบไม่เห็นชัดเจนว่าอะไรเป็นเราอะไรไม่เป็นเรา ดูให้มันเห็นเป็นความจริงแล้วหาเราไม่เจอมันมีแต่ความจริงแต่และวเสียอึ๋งเขาไม่รู้ความหมายเขาเลยเขามีความหมายนะครับเขาแต่เราไปให้ความหมายเขาแล้วไปหลงเขาแล้วไปติดเขาความทุกข์มาหลเราแล้วมาหล่ังพระอุปทานไปหลงเขาลิบพอพี่นะาให้เห็นต่างความจริงแล้วอุบาทานมันจะไปทนไม่ได้เลย ม, มันก็ถอนตัวออกมาต่างอันต่างจงีเรื่องของไปจนกระทั่งถึงอ ว, วิชชาที่ว่า มื่อขันหากับรู้เท่าทันแล้วมัน ก, ก็รวมกันไปในจิตอันเดียวในชะ่ไหมภาวนารู้เท่าทาันนั้นอีกมัน ก, ก็หมดปัญหาแค่นักก้นจะทำอะไรไม่มีนิพพิจิตรไม่มีท่านขยิ่งอะไรอ่าธรรมชาตินั้นมันขยิ่งขย่อนมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติแล้วเนี่ยคือมัชฌิ ม, มาปฏิบัาาติในทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างก็เพื่อมัชฌิ ม, มาในหลักธรรมชาติเลย กล้าไปในมัจจิมาเองข้อปฏิบัติเพื่อถึงมัจจิมาในระับธรรมชาติแล้วก็หมดปัญหาการปฏิบัติธรรมเอาให้จริงให้จริงมรรคผลุญพันรออยู่แล้วเวล่วนี้รออยู่ในวงสัจธรรมมรรคผลุิพันไม่นอกเหนืไปจากสัจธรรมสัจธรรมเบื้องต้นคือทุกทูงไ ท, ทยเป็นเครื่องปิดกั้นทางเลย เพื่อมรุญนิพพานมรรคปฏิปทามีสมาธิสุดเป็นต้นสมาสมาธิเป็นทีสุดนี่คือเครื่องมือบุกเบิทุกสมุทยเหล่านี้ออกเพื่อเดินได้สะุกสบายนิโรธคือความดับสิ่งนี้ขาดไปขาดไปทุกขาดไป ท, ที่เรศขาดไปด้วยมรรคปิญญาที่ขาดไปเรียกว่านิโรธเนี่ย เลยจากทุกสมุทยัยโยตมรรคนั่นคืออะไรนั่นแหละผู้บริสุทธิ์อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่ไหนอี่ไปคาดนะคาดเอาผุนิพานจะไปคาดเสียเวลาเปล่าทําให้เกิดความสงสัยเพี้ยนเท่ยิ่งเสียผีเป็นเรื่องสมุทยัยผีอย่าหนีจากสัจธรรมทุกข์ใยุให้พิจารณาให้ถูกเป็นคำเป็นเพียงเตือนไนเิเคย เพื่อพิจาตณาหาใของทุกคนมาจากทไหนมีเรามีของเราเป็นสำคัญนะตัวประทานค้นลไปคนไ ป, นไปจริงๆตั้งเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของทุกข์มันปล่อยอมันหนีเอ่อะครบ้างอยู่เพื่อนก็